เพราะการปฏิบัติธรรมนี่มันก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องทำก็ขอให้พากันคิดกันพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆทำมาไม่ึงว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะ mm. ก็เพราะว่าจิตใจของเรานี่ยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงเรามีแต่ธรรมของไม่จริงอยู่ในใจเนี่ย เหตุท่นั้นน่ะใจนี่มันจึงได้ป่วนปั่นวันไว้มันจึงได้กลับกอกหลอกตัวเองอยู่เรื่อยไปอะเพราะว่ามันไปยึดเอาแต่ของไม่เที่ยงยึดเอาแต่เรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรมาเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้นะมันก่อให้เกิดความยินดียินร้ายความเสียใจดีใจเศร้าโศกโกรธ ต่างๆนานามดนี่หละจิตใจของใครเป็นอย่างนี้ไหอต้องกลว ด, ดูต่างคนต่างต้งตองกรวจดูจิตใจของตัวเอง <c oughs> ถ้ารู้ว่าจิตใจของตนก็ยังเอียงไปอยู่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้แล้วก็จะไปนิ่งนอนใจนั่นแหละแสดงว่า จิตนี่มันไปรูมันไปยึดเอาแต่ของไม่เที่ยงมาเป็นอารมณ์อยู่เพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้มันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยแต่มันก็ไม่ไวที่จะไปยึดถือเอาอันจิตใจนี่นะนี่แหละมันจึงจำเป็นที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมนั่นนะคือเราพยายามเพ่งพิจารณา ไอ้เรื่องที่มันยึดมันถืออันไม่เป็นสาระแกนสารนี้ให้มันเห็นแจ้งจริงๆเลยให้มันเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อทุกการยึดถือเอาสิ่งหมู่นี้เป็นอารมณ์นะ่ะคือว่ายึดถือเอาด้วยอำนาจแห่งความหลงความเมาความไม่รู้เท่านะในที่นี้หมายเอาความยึดถือด้วยความไม่รู้เท่า แต่ความจริงแล้วมันเมื่อมันยังไม่ทันถึงบรรลุอริยสัจธรรมแล้วมันก็จำเป็นก็ต้องยึดถือเอาไอ้ธรรมที่ของไม่เที่ยงนี่แหละเป็นอารมณ์ไปก่อนแต่ว่าหรู้จักเลือกนี่นะให้รู้จักเลือกไอ้ธรรมที่เป็นอารมณ์ของขจิตใจพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้แล้ว ในสมถะนั่นนะมีถึงสี่สิประการโน่นู่นั่นแหละหรือว่าในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นั่นนะนั่นแหละทำเหล่านี้แหละที่พระศ า, าสดาทรงสอนให้กำหนดพิจารณาเป็นอารมณ์อยู่เสมอจะว่ายึดถือเอาไว้ก็ก็ใช่เพราะถ้าไม่ยึดเอาก่อนแล้วมันก็จะพิจารณาไม่ได้หรอก กระท้องยึดไว้ซะก่อนเช่นอย่างการเพ่งกายอย่างนี้นะอา้าวก็เมื่อรู้ว่ากายไม่ใช่ของเราเราไปเพ่งมันทําไมอะ่ะนี่บางคนก็อาจจะตั้งปัญหาถามอย่างนี้เหตุที่ท่านสอนให้เพ่งมันก็เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ของเราของเขาก็ตามแต่ว่าจิตใจนี่มันก็ยังไปยึดถืออยู่ยังห่วงแหนอยู่ นี่สาเหตุที่จะต้องเพ่งดูร่างกายอันนี้นะเอาสติเข้าไปตั้งไว้ที่กายเพ่งดูอวัย ว, วะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยให้มันเห็นตามสาภาพความเป็นจริงอย่างนี้เห็นครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าไปเข้าใจว่ามันรู้รอบแล้วนะมันยังไม่รู้ทั่วหรอกมันรู้อยู่ขนาดที่มันเห็นอยู่เท่านั้นเนี่ยแต่ขั้นเมื่อ เลิกจากการเพ่งนั้นไปแล้วเผลอๆสติเข้าไปเดี๋ยวมันก็ไปยึดถืออีกนี่เมื่ออินทรียังไม่แก่กล้านะเดี๋ยวก็ปล่อยวางเดี๋ยวก็ยึดถืออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องมันเพ่งมันพิจารณาอยู่เสมอเสมอไปเมื่อพี่นะบ่อยๆเข้าเพ่งดูบ่อยๆเข้ามันก็เห็นแจ้งขึ้นอย่างนี้แหละ มันเห็นลักษณะอาการของร่างกายนี้เป็นอย่างไรอย่างไรอ่ะมันก็เห็นชัดขึ้นไปโดยลำดับ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นในส่วนเวทนาก็เหมือนกันนี่จิตใจของคนปุถุชนคนเราเนี่ยเมื่อมีความสุขขึ้นมากระล้นเลิงบันเทิงใจ ร้องลําทำเพลงดีปีตีเป่าอะไรต่อะไรไปอย่างนั้นแหละทีนี้เมื่อเวลาได้ประสบความทุกข์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมาในตนเข้าเอาแล้ววันนี้กลเงกันข้ามกับเสียใจร้องให้รำไรต่างๆนานานะจิตใจเเลยเป็นปกติอยู่ไม่ได้เลยก็เพราะมันหลงเวทนานี้เองเนี่ยจิตใจมันถึงได้เป็นอย่างนั้น เมื่อจิตใจวันไหวแล้วก็ทําให้กายวันไหวไปตามด้วยกระสับกาสายอะไรต่ออะไรไปสารพัดอย่างนี้นะเหตุนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้เอาสตินี้เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาอืเพ่งดูเวทนานั้นอย่าไปอ่อนแอทอดแท่มันเช่นเวลาทุกเขเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้นะอย่าไปกลัว เอาสติเข้าไปเพ่งอยู่ตรงที่มันเป็นทุกข์นั่นแหละมันรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ตรงไหนเอาไปเพ่งดูมันอยู่ตรงนั้นนะอ่อะไรมันเป็นทุกข์กันแน่อย่างนี้นะไม่ต้องหวาดหวั่นพันพึงต่อความทุกข์อันนั้นเพ่งดูไม่ท้อไม่ถอยเอาไปเอามามันก็มองเห็นอัน ไอ้ความแปรปวนวันไหวของร่างกายสังขารเหล่านั้นนะมันเห็นว่าเป็นของว่างว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลเนี่ยมันเป็นแต่เพียงว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้มันแปรปวนไปเท่านั้นเองแล้วจิตนี่รับรู้ความแปรปวนของธาตุดินน้ำไฟลมมานั้นเมื่อจิตรับรู้แล้วจิตไม่รู้เท่าจิตจึงได้วันไหวไปตามเท่านี้แหละ มูลเหตุของมันนะบัดนี้เมื่อจิตรู้เท่าตัหมายความว่าเพ่งดูแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างมองดูแล้วเห็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นแหละมันไม่กองรองสามัคคีกันนะมันแปรปวนไปเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปเดือดร้อนกับมันทำไมอ่ะก็ยังว่าธาตุมันไม่ใช่ของเรามันมีชื่อของมันอยู่แล้วนี่ แล้วจะไปหวงเอาว่าของเราทำไมอะ่ะสติก็เตือนใจอย่างนี้เข้าไปเสมอๆ เ, เข้าไปอะ่อะเช่นนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้ใจนี่ไม่เป็นทุกข์แล้วนี้ใจไม่กระวนกระวายเลยใจก็ตั้งมั่นอยู่ได้ อ, อพืพระพระศาสดาทรงสอนให้กำหนดรู้เท่านะทุกนี้นะพระองค์ไม่ได้สอนให้ละละไม่ได้ในเมื่อขันห้านี่ยังมีอยู่ ทุกก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นแหละทุกเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันแปรปวนวันไว้ไปมาไม่ใช่เรื่องอื่นนะนี่แหละเพ่งพิจารณาดูให้มันเห็นทีนี้พูดถึงจิตจิตนี่ตามธรรมดาเมื่อบุคคลยังไม่รู้แจ้งนะก็ต้องถือว่าจิตเราใจเรา ถือว่าของเราแหละอือ่าไปรู้ได้ยังไงว่าถือเป็นของเราอะ่ะก็รู้ได้เลยคนธรรมดาสามัญอนะ่ะเมื่อตาไปเห็นรูปสวยๆงามจิตมันก็เกิดรักใคร่ขึ้นมาแล้วเนี่จะว่าไงล่ะมันจะไม่ถือว่าเป็นตัวตนยังไงอะ่ะเอ๊ะเรานี่มันชอบรูปนี้่แล้วเกินนะอ่ามันเกิดเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาแล้ว ถ้าตาไปเห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังอย่างนี้มันก็เกลียดชังโกรธขึ้นมาแล้วไม่พอใจนี่แสดงว่ามันมีตัวมีตนขึ้นมาแล้วรูปเขานั่นก็มีเขาขึ้นมาแล้วอไอ้ตัวจิตนี่ก็ที่ไปเกลียรูปนั่นก็มีตัวขึ้นมาแล้วไอเรานี่นมาเกลียดแล้วเกินคนผู้นี้พอะวะ <c oughs> อันนี้เราต้องเพ่งดูให้มันเห็นเหตุ น, นี่พระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เอาสติยังลงไปหาจิตเพ่งดูจิตที่ให้มันเห็นตามสาภาพความเป็นจริงให้เห็นว่าจิตนี่ก็าสักว่าแต่จิตไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่มีตัวมีตนาาอะไรอ่ะเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันวัต น, นะอะไรเลย แต่ว่ามันมีอิทธิพลนะสามารถบังคับกายนี้ให้เคลื่อนไหวไปมาได้เลยอย่างนี้แหละสามารถใช้กายวาจาทําดีทําชั่วได้ทั้งนั้นเลยดังนั้นเราเราจะไปละเลยก็ไม่ได้เลยก็หมายคาอว่าตัวเองนั่นแหละไปละเลยตัวเองเอไม่ไม่ใส่ใจกับตัวของตัวเองมาดนี้ก็ไปสร้างกิเลสขึ้นมาเผาตัวเองอ ให้กิเลสมันบังคับตัวเองให้อยากได้อ น, นัตอยากได้อันนี้เมื่อมันอยากขึ้นมาพอแล้วก็ใช้กายทาใช้วาจาพูดแม้มันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็ช่างนี่เรียกว่าจิตไม่รู้อ่ะเนี่ยมันมีเขามีเราอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้เมื่อมาเพ่งดูด้วยสติด้ดวยปัญญาเห็นแจ้งว่าไม่มีเขาไม่มีเราอะไรเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้น เมื่อมันรู้ตัวว่ามันไม่มีตัวตนอะไรอย่างนี้ตาไปเห็นรูปที่น่ารักมันก็ไม่รักหูมันได้ยินเสียงที่น่ารักมันก็ไม่รักอย่างนี้แหละเป็นต้นตาหูได้ยินได้เห็นรูปได้ฟังเสียงที่น่าเกลียดน่าชังมันก็ไม่เกลียดไม่ชังก็เพราะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์อยู่ในนี่ที่จะไปเกลียดไปชังสิ่งเหล่านั้น ไอ้รูปหรือเสียงที่ได้ยินที่ได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูอันนั้นมันก็เป็นแต่สภาวะธาตุต่างหากมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรเลยที่ว่าสัตว์ก็บุคคลนั้นสมมุติเอาต่างหากสมมุติเอาก้อนธาตุอันนั้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปเนี่ยเราต้องตามรู้ทั้งภายนอกทั้งภายในอย่างนี้ให้มันแจ่มแจ้งแล้วอย่างเนี้นั่นแหละมันถึงจะไม่หลงรัก ไม่หลงชังไม่หลงเศร้าโศกเสียใจไม่โกรธไม่พยาบาทอะไรต่ออะไรมูนี้นะมันถึงไม่สร้างกิเลสตัณหาสารพัดให้เกิดขึ้นในจิตใจได้ <c oughs> แล้ววันนี้อันธรรมดาจิตนี่นะมันต้องคิดธรรมชาติของจิตนี่มันต้องคิดเป็นธรรมดาไม่คิดไม่เชื่อว่าจิตถ้าเป็นจิตแล้วต้องคิด ความคิดนั่นล่ะท่านเรียกว่าธรรมารมณ์เรียกว่าอารมณ์ของจิตเปอย่างนั้นมันก็ไม่นองเหนือไปจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่แหละเมื่อรวมลงแล้วนะแต่ว่ามันถ้ากระจายออกไปอย่างพิสดารกวงขวางเลยอะ่ะนั่นแหละจิตใจมันไปยึดถือเอา รูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาเครื่องสัมผัสต่างๆโมนี้่มาเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความยินดียินร้ายความเสียใจดีใจเศร้าโศก ค, ความโกรธความแค้นอะไรต่างๆนานาโเนี้ยก็เพราะจิตมันหลงอารมณ์เหล่านี้เองนะลองลองพิจารณาดูลองพิจารณา ด, าดูถ้าไม่เชื่อนะนั่นเนี่ย ดังนั้นแลละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เอาสติไปกำหนดรูปอารมณ์ทั้งห้าอย่างนั้นเพ่งดูจนให้มันเห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยอารมณ์ทั้งห้านั้นนะคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันจะเป็นที่น่ายินดีก็ตามเป็นสิ่งที่น่ายินร้ายก็ตาม เมื่อเพ่งดูให้เห็นตามสภาพความจริงแล้วมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปนี่สภาพความจริงของมันเป็นอย่างนั้นทุกอย่างไปเลยเมื่อเพ่งดูให้เข้าถึงความจริงอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ไม่เป็นสิ่งที่น่า ย, ยินดียินร้ายอะไรเลยนั่นแหละภาษาชาทรงมุ่งหวัง ที่จะให้พุทธบริษัททางหลายนั่นอ่ะเอาสติเข้าไปเพ่งดูอาการทั้งสี่อย่างนี้นะให้มันเห็นชัดตามความเป็นจริงอยู่เสมอเสมอไปเพ่งพิจารณาดูไปเอจิตมันก็จะสงบไปในตัวนั้นแหละเมื่อเราเอาสติเข้าไปควบคุมจิตให้เพ่งดูลักษณะอาการของร่างกายเนี่ยถึงสี่อย่างนี้นะ เราจะแต่เพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ได้เช่นเพ่งรูปกายนี่ก่อนเมื่อเห็นแจ้งในรูปกายนี้แล้วก็จึงเพ่งเวทนาต่อเมื่อเพ่งเวทนาเห็นแจ้งในเวทนาแล้วก็เพ่งจิตต่ออย่างนี้นะเมื่อเห็นแจ้งในจิตตามเป็นจริงแล้วก็เพ่งธรรมารมที่เกิดขึ้นกับจิตดังกล่ามานี่นั่ น, น, นแหละ กัวดดูให้มันเห็นแจ้งทั้งสี่อาการนี้ตามความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดญาณความรู้ขึ้นมาเลยแบบนี้น ะ, ะเมื่อเราเพ่งดูไม่ท้อไม่ถอยทําความเพียงเพ่งพิงพงพนิษติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่ไม่เฉพาะแต่จะไปเพ่งแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นในดิยบททั้งสี่เนี้ยทรงสอนให้มีสติสมัมปชัญญะกำหนด ดูกำหนดรู้อาการทั้งสี่อย่างนี้นะให้มันติดต่อกันไปเรื่อยไปเลยอย่างนี้นะมันก็ถึงจะทันกับความหลงนั้นนะถ้าหาว่าคอยไปนั่งสมาธิภาวนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยประเพ่งพิจารากันอย่างนี้มันไม่ทันกับความหลงเลยเดี๋ยวก็หลงแล้วพอหลงแล้ววันนี้จิตวุ่นวายแล้วจึงมานั่งภาวนา กลัวว่าจะมาควบคุมจิตให้สงบลงไปได้กระแสนยากแสนลำบากบางทีก็เลยไม่ได้เลยนี่แหล ะ, ะมันเรียกว่าปฏิบัติไม่ติดต่อกันนะให้พากันเข้าใจฉะนั้นคำว่าการเจริญสติปัะฐานนี่นะพระศ า, า, สาสดาทรงมุ่งหวังให้พุทธบริษัทนั้นฝึกหัดสติสมปัติยะนี่ให้มันต่อเนื่อง กันไปเลยหอือให้มันติดต่อกันไปได้ที่ไปเท่าไหร่ยิ่งดีนะเป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่าเวลาไปนั่งสมาธิภาวนาจึงไปเพ่งกันทีเดียวไม่ทันนี่ขอให้พากันเข้าใจไว้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ไว้นะคล้ายๆกับว่าพราะองค์บอกทางลัดทางตรงให้เลยอันนี้จเป็นทางลัดไปสู่ความพน้นทุกข์การเจริญสมถะวิปัฒนาพิจารณากรรมฐานอะไรต่ออะไรหรือเจริญกสิณสิบประการหมูนั้น่ะ อันนั้นเปรียบเทียบได้กับว่าการเดินทางสายโค้งมันเป็นอย่างนั้นแต่หากว่าถ้าผูา้ใดบำเพ็ญได้แล้วมันจะเกิดคุณพิเศษหลายสิ่งหลายอย่าง อ, อย่างเช่นมีฤทธิ์มีเดชอะไรเหล่านี้เป็นตน้นแต่สำหรับผู้เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยอันนี้ไม่ไม่มีคุณพิเศษหรอก เพราะว่าไม่ได้สำเร็จฌานสมาบัติเพียงแต่ควบคุมเอาสติเข้าไปควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไปแล้วก็เพ่งดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมารมที่เกิดขึ้นกับจิตเนี้ยดูอยู่จนให้เกิดญาณความรู้ขึ้นในใจอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าสุขะวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสนาล้วนวนนะ ไม่ได้เกี่ยวกับสมถะคือเรียกว่าสมถะก็พอแต่เป็นบาทของวิปัสนาเท่านั้นหรือพอกําหนดใจให้ตั้งมั่นลงไปพอสมควรแล้วก็เพ่งดูเลยอย่างนี้น ะ, ะแล้วเพียรพยายามบาเพ็ญอย่างนี้ไปจนได้บรรลุอรหัตอรหันต์ไปได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าสุขวิปัสสโก แปล ว, ว่าผู้เจริญวิปัสนาล้วนเป็นอย่างนั้นดังนั้นแล้วแต่ใครชอบทางไหนยะผู้ชอบทางโค้งก็เดินทางโค้งได้เพียนพยายามเจริญสมถ ะ, ะเพ่งฌานให้เกิดขึ้นให้ได้เริ่มแต่ปฐมฌานนี่แหละไปวิตกวิจารปีติสุขเอกคาตาลำดับไปเรื่อยๆนะ วตกโก็ยกจิตขึ้นสู่พระกรรมฐานแลอยเพ่งกรรมฐานอันใดอนหนึ่งให้มันเห็นเมื่อเห็นแล้วก็วิจารณ์แล้ว่าวิจารณ์ดูกรรมฐานคือรูปร่างาะร่างกายส่วนที่มองเห็นด้วยใจนั่นนะวิจารณ์ดูว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสวยงามหรือไม่สวยงามอะไรหมู่นี้นะอื เมื่อเห็นตามเป็นจริงลงไปแล้วใจมันก็จะสงบลงเมื่อใจสงบลงไปปีติมันก็เกิดขึ้นน ะ, อ, ะอย่างนี้แหละเมื่อค่มปีตินั้นไว้ได้ความสุขใจมันก็เกิดขึ้นแล้วันนี้นะเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้เท่าสุขอันนั้นไม่ติดอยู่เลยความสุขอันนั้นนะ จิตใจมันก็จะรวมลงเป็นหนึ่งได้แหละเป็นเอกคตาเป็นเรียกว่าจิตใจเป็นหนึ่งแบบนี้นะอันนี้ท่านเรียกว่าปฐมฌานนะทุติยฌานนั่นก็ละวิตกวิจารเสียเอเพ่งให้เกิดปิติขึ้นมา <c oughs> ทีเดียวเลยอนะ่ะอนั่นแหละละวิตก เพียงแต่วิจารณ์ไปเลยอเป็นอย่างนั้นมณิตะติยชานนั่นเพ่งปีติทีเดียวไปเลยจนตลอดถึงเอกคตาอย่างนี้เลยส่วนจตุทชานนั้นเพ่งเอกคตาจนถึงอุเบกขาเลยทีเดียวอย่างนั้นนี่เรียก ว, ว่าพูดเรื่องไอชาณสีเนี่ยโดยสังเกตโดยย่อคอ เป็นเครื่องพินิษพิจารณาสำหรับผู้ที่ต้องการจะบำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้นก็ต้องบำเพ็ญไปตามแนวนี้หมายความว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นขั้นรูปฌานขั้นต่อไปก็บำเพ็ญอรูปฌานขึ้นไปโดยลำดับ เ, เรื่องอย่างนี้เราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแนวทางเสียก่อนแล้วการเจริญมันก็ถึงจะเป็นไปได้ แต่ข้อสำคัญว่าเมื่อเราทำใจให้สงบลงไปได้พอสมมาสมควรแล้วอย่างนี้เราก็เจริญปัญญาต่อแับนี้นะเจริญปัญญาต่อก็อย่างว่าเรื่องของปัญญานะพิจารณาอะไรก็พิจารณาให้เห็นในลักษณะสามนั่นเองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดฮนะคือตามธรรมดาจิตนี่มันชอบ ถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราเมื่อมันถือมั่นลงไปอนะมันก็ลำเอียงไปด้วยความรักความชังดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละอันนี้เมื่อการเจริญวิปัสสนานี้เราก็เพ่งพิจารณาสิ่งที่จิตใจมันเคยหลงรักหลงชังมาแต่ก่อนนั้นนะให้มันเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปอย่างนี้เมื่อมันเห็นแจ้งทำเป็นจริงอย่างนั้นมันจะคลายความรักความชังนั้นออกไป จา ก, กจิตใจใคลายความสำคัญว่ามีเขามีเรามีตัวมี ต, มตนออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแถวแนวของวิปัสสนานะเมื่อมันเห็นแจ้งประจักษ์ตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยวางและไม่ใช่จะให้ถือไว้น ะ, ะทีแรกนี่ก็ถือไว้ก่อนเมื่อมันยังไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งมันยังสงสัยอยู่เมื่อเวลาเพ่งดู เห็นแจ้งประจักษ์ตามเป็นจริงแล้ววันนี้ก็ปล่อยวางไม่ยินดีไม่ไม่ยินร้ายกับมันเลยของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เราเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทางหลุดทางพ้นนั่นแหละเมื่อเราจเจริญไปบ่อยๆไม่ท้อไม่ถอยนะงานความรู้อันนี้มันก็แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับ เมื่อมันแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็ปล่อยก็วางไปเรื่อยๆเมื่อมันแก่กล้าถึงขีดสุดมาแล้วมันก็วางได้เด็ดขาดไปเลยท่านเรียกว่าสมุเดเฉดทปหานแปลว่าละได้ละความยึดความถือนั้นได้ขาดเด็ดไปเลยกิเลสที่จะไปให้ยึดถือสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วอืเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าหาว่าละขาดได้โดยเอกเทศอย่างนี้กิเลสส่วนใดที่มันยังละไม่ขาดมันก็ต้องเกิดขึ้นมาอีกท่านก็ต้องเจริญวิปัสสนาเพ่งพิจารณานามรูปของเก่านี้แหละให้มันเห็นในลักษณะสามเหมือนเดิมนั่นแหละ่อกจิตนี้ไปให้มันสะอาดไปเรื่อย ให้มันคลายความยึดความถือยิ่งขึ้นไปโดยลาดับอยู่อย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ว่ามันจะต้องพิจารณาของใหม่ๆของแปลกๆอะไรไปเรื่อยๆไม่ใช่ล้วนตั้งแต่ของเก่าทาั้งนั้นเลยนะของเก่าแต่มาพิจารณาใหม่เนื่องจากว่ามันยังไม่รู้แจ้งเต็มที่หมายความว่าอย่างนั้น มันรู้แจ้งพอลางๆอย่างนี้มันก็ก็ปล่อยก็วางมันก็ละได้บ้างส่วนที่ยังยึดถืออยู่ ก, ก็ยึดถือส่วนที่ยังไม่รู้แจ้งน่ะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะมันจึงจะเป็นต้องทำความเพียนเพ่งพินิษเรื่อยไปไม่หยุดไม่ย่อนเลยเมื่อทำให้มากเข้าไปมันก็รู้ยิ่งขึ้นไปโดยลาดับนี่หลักของการเจริญวิปัสนา มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพิจรารณาเห็นข้างเดียวแล้วมันละขาดไปได้เลยไม่ใช่อันนั้นท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้าโดยรอบแล้วอันนั้นนะท่านพิจารณาลวดเดียวเห็นแจ้งแล้วก็สำเร็จอรหันลวดไปเลยอันนั้นเรียก ว, วรร่าอินทรีย์บาลีของท่านเต็มบริบูรณ์แล้ว ไอพ้พวกที่อินทรีย์บารมียังไม่เต็มบริบูรณ์เนี่ยมันก็ต้องบำเพ็ญไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละขอให้พากันเข้าใจเมื่อเราบำเพ็ญไปพี่นาไปไม่ท้อไม่ถอยอินทรีย์เหล่านี้มันก็แก่กล้าขึ้นไปโดยลําดับมันไปอย่างนั้นนะถ้าเราถอยเสียไม่ทําอะอินทรีย์มันก็ไม่แก่กล้าขึ้นได้ดีไมด่ดีมันก็เสื่อมไปซ้ํำนะนั่นแหละแต่ถ้าว่าเราไม่ เราไม่พยายาม เ, าเพ่งพิจารณาให้มันละเอียดเข้าไปเช่นอย่างว่าเราพิจารณาในครั้งนี้มันความรู้ความเห็นเกิดขึ้นเพียงเท่านี้แหละแล้วก็อยู่เอาต่อไปเมื่อพิจารณาครั้งต่อไปอีกไปถึงนั้นแล้วก็อยู่แค่นั้นแหละเช่นนี้ลวมันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้มันก็อยู่แค่นั้นเพียงแค่ทพ อ, อแต่อยู่ตัว ไม่ก้าวหน้าไปได้ดังนั้นเมื่อพิจารณาไปถึงถึงตรงนั้นแล้วอย่างนี้มันยังไม่สามารถที่จะรู้ยิ่งไปกว่านั้นได้เอากวาพยายามเหมือนนี้น ะ, ะพยายามค้นคว้าพยายามเพ่งพินิษให้มันรู้พิเศษยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกเรียก ว, ว่ารู้เรื่องเก่านั่นแหละแต่ว่ามันรู้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะ มันมีเหตุมีผลอะไรมาปรากฏในใจอย่างนี้นะเหตุผลอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเหตุผลที่ละเอียดแล้วออมากเมื่อพิจารณาเข้าไปเท่าไรมันก็ละเอียดเข้าไปเท่านั้นแหละไอ้ความรู้ความเห็นอันนี้นะไม่ใช่มันจะหยาบ อ, อยู่เหมือนเดิมไม่ใช่มันค่อยละเอียดเข้าไปโดยลําดับลําดับไปข้อนี้นะผู้ใดทาผู้นั้นมันจ ะ, จะต้องรู้เองเห็นเองนะ ผู้ใดไม่ทำไม่รู้หรอกอเรื่องมันนะผู้ใดไม่ทำไม่รู้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันจึงเป็นสิ่งจําเป็นดังหัวข้อที่เกินไวแต่เบื้องต้นนั่นแหละที่มันจําเป็นก็เพราะเหตุว่าเมื่อเราอยู่อย่างนี้นะหมายควาว่าเมื่อเรายัางละอาสวะกิเลส ยังไม่หมดไม่สิ้นไปเนี่ยทุกนี่แหละมันบังคับให้เราปฏิบัติธรรมนะอืทุกนี่มันรบกวนอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้นะทุกกายเอ้กายอันนี้ก็เจ็บโน่นปวดนี้อายุมากเข้ามาเท่าไหรอ่อโรคภัยก็เบียดเบียนเข้าไปเท่านั้นอืมแล้วทุกใจบะเนี่ยเมื่อใจนี้ยังไม่สงบใจยังไม่รู้แจ้ง ยังยึดยังถืออะไรต่ออะไรอยู่อย่างเงี้ยอา่าวกิเลสมันก็มากวนใจให้เป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปแล้ววันนี้นี่ความทุกข์เหล่านี้แหละมันบังคับให้คนเราปฏิบัติธรรมอะสําหรับผู้ที่ตื่นตัวนะผู้ไม่ตื่นตัวแล้วมันก็ไม่สนใจจะมาปฏิบัติธรรมอ่ไม่สนใจที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อละเหตุแห่งทุกข์ดังกล่าวมานี่ออกไปจากขิตใจเลยแม้ว่าจะเป็นทุกข์อย่างไรก็ เสมอทุกอันนั้นไปด้วยความเดือดร้อนด้วยความกังวลกังวยัยออยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าผู้เช่นนั้นเนี่ยถ้าพูดอีกในหนึ่งแล้วก็เรียกว่าบุญบา ร, รมีินทีย่ยังอ่อนอยู่มา嘛ไม่มีความสามารถที่จะทําความเพียรเพื่อให้ก้าวหน้าไปได้เลยอืแม้จะมาเพียรทําใจสงบอย่างนี้ก็ทําไม่ได้ พ่อแท้อ่อนแอไปหมดเลยคือว่าศรัทธามันก็อ่อนเมื่อศรัทธาอ่อนแล้วความเพียรมันก็อ่อนอย่างนี้นะความกล้ า, าหาญในการทำความดีนี่นะในการฝึ ก, กจิตใจอันนี้นะมเมื่อความเพียรอ่อน on, แล้วสติมันก็อ่อนความที่จะมาระลึกถึงตัวเองนี่น้อยเต็มทีส่วนมากสตินั้นระลึกไปในทางอื่นนู่น